พระมหาศัตว์ทรงทำประทักษิณช้างสามรอบเพื่อทรงตรวจที่กายช้างซึ่งประดับแล้วก็ไม่เห็นที่ซึ่งยังมิได้ประดับทรงจับพระเต้าทองคาอันเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสกับพรามทั้งหลายว่าแนมหาพรามทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาข้างนี้ทรงวางงวงช้างซึ่งเช่นกับพวงเงินอันประดับแล้วในมือแห่งพรามเหล่านั้น หลังน้ำลงพระราชทานช้างซึ่งประดับแล้วอลังการที่เท้าทั้งสี่ของช้างราคาสี่แสนอลังการที่สองข้างของช้างราคาสองแสนผ้ากำพลแดงใต้ท้องช้างราคาหนึ่งแสนขายคลุมหลังสามคือขายแก้วมุกดาขายแก้วมณีขายทองคําราคาสามแสน กระดึงเครื่องประดับที่ห้อยสองข้างหูราคาสองแสนผ้ากำพลลาดบนหลังราคาหนึ่งแอลังการคลุมกระพองราคาหน0 0 0แสนสายรัดสามสายราคาสาม0 0 0ผู้เครื่องประดับที่หูทั้งสองข้างราคาสองแสนปลอกเครื่องประดับงาทั้งสองราคาสองแสน วไลเครื่องประดับทาบที่งวงราคาหนึ่งแสนอลังการที่หางราคาหนึ่งแสนเครื่องประดับอันตกแต่งงดงามที่กายช้างเว้นพันดะอันหาค่ามิได้รวมราคา22่สิบแสนเกยสำหรับขึ้นราคาหนึ่งแสนอ่างบรรจุของบริโภคเช่นหญ้าและน้ำราคาหนึ่งแสนรวมทรัพย์มีประมาณเท่านี้เข้าอีก เป็นราคา24แสนยังมีของมีค่าอันหาประมาณมิได้หกอย่างเหล่านี้คือแก้วมณีที่กาพูชัดที่ยอดชัดที่สร้อยมุกดาที่ขอที่สร้อยมุกดาผูกคอช้างที่กระพองช้างและตัวพยาช้างรวมเจ็ดอย่างเป็นของหาค่ามิได้ได้พระราชทานทั้งหมดแก่พรามทั้งหลาย และพระราชทานตระกูลบำรุงช้างห0 0สกุลกับทั้งควานช้างและคนเลี้ยงช้างด้วยก็มหาสัจจันมีแผ่นดินไหวเป็นต้นได้มีแล้วพร้อมกับพระเวสสันดรมหาราชทรงบริจาคทานโดยในอันกล่าวมาแล้วในหนหลังนั่นแลพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระบรมมกษัตริย พระราชทานช้างตัวประเสริฐแก่พรานทั้งแปดคนแล้วในการนั้นได้เกิดมีความหน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวเมทนีดนก็หวั่นไหวเมื่อพระบรมมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐในการนั้นได้เกิดมีความหน้าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวชาวนโคนก็กำเริศ เมื่อพระเวสสันดรผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญพระราชทานช้างตัวประเสริฐชาวบุรีก็เกลื่อนกล่นเสียงอันกึกก้องก็แผ่ไปมากมายบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในการนั้นได้เกิดมีตถาสิได้แก่ได้มีในเวลานั้นคำว่าช้างตัวประเสริฐหัตถนาเค ได้แก่สัตว์ประเสริฐคือช้างข้อว่าในการนั้นชาวพระนครกำเริบขุพิทักษ์นะครตถาได้แก่ได้เกิดความป่วนปัน่นได้ยินว่าพรามทั้งหลายได้ช้างที่ประตูด้านทิศ ท, ทักษิณ น, นั่งบนหลังมีมหาชนแวดล้อมขับไปท่ามกลางพระนคร มหาชนเห็นแล้วกล่าวกับพรามเหล่านั้นว่าแน่เหล่าพรามผู้เจริญท่านขึ้นช้างของเราทั้งหลายท่านได้ช้างของพวกเรามาแต่ไหนพรามเหล่านั้นตอบว่าช้างนี้พระเวสสันดรมหาราชเจ้าพระราชทานแก่พวกเราพวกท่านเป็นใครเมื่อโต้อตอบกับมหาชนด้วยวิการแห่งมือเป็นต้นพลางขับไปท่ามกลางพระนคร ออกทางประตูทิศอุดรชาวพระนครโกรธพระบรมโพธิตว์ด้วยการโดนใจของเทวดาจึงชุมนุมกันกล่าวติเตียนใหญ่ใกล้ประตูวังด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญพระราชทานช้างตัวประเสริฐ ชาวบุรีก็เกลื่อนกล่นเสียงอันกึกก้องก็แผ่ไปมากมายครั้งนั้นเมื่อประเวสสันดรพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วเสียงอื้ออึงน่ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนคร น, นั้นในการนั้นชาวนาครก็กำเริบครั้งนั้นเมื่อประเวสสันดรผู้พดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้ว เสียงอื้ออึงน่ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเสียงอันกึกก้องโคโสได้แก่เสียงติเตียนคำว่าแผ่ไปวิปุโลได้แก่ภัยบุญเพราะแผ่ออกไปคำว่ามากมายมหาได้แก่มากมา ย, มามามายเพราะมากยิ่งขึ้นไป ข้อว่าผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญสิวีนางรัฐวัฒนได้แก่การทำความเจริญแก่แว่นแคว้นของประชาชนผู้อยู่ในแคว้นสีพีครั้งนั้นชาวเมืองมีจิตกำเริบขัดเคืองเพราะพระเวสสันดรพระราชทานช้างสาคัญของบ้านเมืองจึงกราบทูลพระเจ้าสัรชัย ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกคนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรพวกพ่อค้าชาวนาพวกพรามกองช้างกองมา้ากองรถกองราบชาวนิคมชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุมพร้อมกันพวกเหล่านั้นเห็นพวกพรามนำพญาช้างไปก็กราบทูลแด่พระเจ้าสันชัยว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพเว่นแคว้นของพระองค์ถูกกำจัดแล้วเหตุไรพระเวสสันดรโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างตัวประเสริฐของชาวเราทั้งหลายอัญชาเ ว, ว่นแคว้นสักการะบูชาฉไหนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพญากุญชรของชาวเราทั้งหลายตัวมีงาดุดงอนไทยแก้วกล้า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 ซึ่งเป็นยานชั้นเลิศเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐพร้อมทั้งฉัดขาวเครื่องลาดหมอช้างและคนเลี้ยงช้างแก่พวกพราหมณ์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพวกคนที่มีชื่อเสียงอุกขาได้แก่เด่นคือรู้กันทั่วคือปรากฏคำว่าชาวนิคมนิคโมได้แก่คนมีทรัพย์ชาวนิคม ข้อว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแว่นแคว้นของพระองค์ถูกกําจัดแล้ววิธังเทวัตเตรัดถังได้แก่ข้าแต่พระองค์ผู้สมกก ม, สมุติเทพแคว้นของพระองค์ถูกทําลายเสียแล้วข้อว่าเหตุไรจึงพระราชทานช้างตัวประเสริฐของเราทั้งหลายกะถังโนหัตถินังทัตชาความว่า พระราชทานช้างที่รู้สึกกันว่าเป็นมงคลยิ่งของเราทั้งหลายแก่พราหม์ชาวกาลิงครัตด้วยเหตุไรข้อว่ารู้เขตชัยภูมิแห่งสงครามทั้งปวงเขตตันยุงสัพพายุท ธ, ธานังความว่าตัวสามารถรู้ความสำคัญของชัยภูมิแห่งการยุทธแม้ทุกอย่างคำว่ามีงางามทันติงได้แก่ ประกอบด้วยงาอันน่ารื่นรมใจคำว่าพร้อมทั้งพัทวาละวิชนีสวาลวีชนิงได้แก่ประกอบด้วยพัทวาละวิชนีคำว่าเครื่องราชสุปเตยังได้แก่พร้อมด้วยสิ่งของอันเป็นเครื่องราชคำว่าหมอช้างสาทับผนังได้แก่พร้อมด้วยหมอช้าง คำว่าและคนเลี้ยงช้างสหัสถิปังความว่าพร้อมด้วยคนเลี้ยงช้างคือตระกูลห้ารอตระกูลผู้บำรุงเลี้ยงช้างและพวกควานช้างและคนดูแลรักษาช้างก็แลครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วได้กราบทูลอย่างนี้อีกว่าพระเวสสันดรราชโอรสนั้นควรจะพระราชทานข้าวน้า ผ้านุ่งผ้าห่มและที่นั่งที่นอนสิ่งของเช่นนี้แหลสมควรจะพระราชทานสมควรแก่พวกรามข้าแต่พระเจ้าสัรชัยชะไหนพระเวสสันดรราชโอรสผู้เป็นพระราชาโดยสื่อพระวง์ของพระองค์ผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญจึงทรงแจกจ่ายพยาคคชสารไป ถ้าพระองค์จากไม่ทรงทาตามถ้อยคำของชนชาวสีพีชนชาวสีพีก็เห็นจากทรรมพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสไว้ในเงื้อมมือบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้เป็นพระราชาโดยสื่อพระวง์วังสราชาโนได้แก่เป็นมหาราชผู้มาตามเชื้อสายคำว่าจึงทรงแจกจ่ายพาเชติ ได้แก่พระราชทานคําว่าชนชาวสีพีจะทารรไว้ในเงื้อมมือสิวิหัตเถกริษเรความว่าชนชาวสีพีรัฐทั้งหลายจะทาพระองค์กับพระราชโอรสไว้ในเงื้อมมือของตนพระเจ้าสัญชัยได้ทรงสดับดังนั้นทรงสําคัญว่าชาวเมืองเหล่านี้จกปรงพระชนพระเวสสันดร จึงตรัสว่าถึงชนบทจะไม่มีและแม้แว่นแคว้นจงพี่นาฏไปก็ตามเถิดเราก็ไม่พึงขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีโทษจากแว่นแคว้นของตนตามคำของชาวสีพีเพราะพระราชบุตรเกิดจากอุระของเราถึงชนบทจะไม่มีและแม้แว่นแคว้นจงพี่นาฏไปก็ตามเถิดเราก็ไม่พึงขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีโทษ จากแว่นแคว้นของตนตามคํำของชาวสีพีเพราะพระราชบุตรเกิดแต่ตัวเราอันหนึ่งเราไม่พึงประทุษร้ายในพระราชบุตรนั้นเพราะเธอมีศีลและวัดอันประเสริฐแม้คันติเตียนจะพึงมีแก่เราและเราจะพึงประสบบาปเป็นอันมากเราจะให้ฆ่าพระเวสันดรพุตรของเราด้วยสตร้าได้อย่างไร บรรดาคาเหล่านั้นคาว่ามาสิจะไม่มีตัดคำเป็นมาอโหสิคำว่ามีศีลและวัดอันประเสริฐอริยศีละวะโตได้แก่เป็นผู้ประกอบด้วยศีลและวัดอันประเสริฐคือสมาจารสมบัติอันประเสริฐคำว่าเราจะให้ค่าคาตะยามะเสได้แก่เราจะให้ประหาร คำว่าไม่พึงประทุษร้ายทุกเพยังความว่าไม่พึงประทุษร้ายลูกของเราผู้ไม่มีโทษคือปราศจากความผิดชาวสีพีได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าพระองค์อย่าได้รับสั่งให้ฆ่าพระเวสสนดร น, นั้นด้วยท่อนไม้หรือสัตราเลยทั้งพระเวสสนดร น, นั้นก็ไม่ควรแก่เครื่องพันธนาการ แต่จงทรงขับไล่พระเวสสันดร น, นั้นเสียจากแว่นแคว้นพระเวสสันดรจงไปอยู่ที่เขาวงกดเถิดบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าพระองค์อย่าได้รับสั่งให้ฆ่าพระเวสสันดร น, นั้นด้วยท่อนไม้หรือสัตราเลยมานังทันเดนะสัตเถนะความว่าค่าแต่สมมุติเทพ พระองค์อย่าทรงประหารพระเวสสันดร น, นั้นด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราข้อว่าทั้งพระเวสสันดร น, นั้นก็ไม่ควรแก่เครื่องพันธนาการนะหิโซพันธนาระโหได้แก่พระเวสสันดร น, นั้นเป็นผู้ไม่ควรแก่พันธนาการเลยทีเดียวพระเจ้าสันชัยได้ทรงสดับดังนี้จึงตรัสว่า ถ้าความพอใจของชาวสีผีเช่นนี้เราก็ไม่ขัดขอเธอจงได้อยู่และบริโภคการทั้งหลายตลอดคืนนี้ต่อเมื่อสิ้นราตรีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวสีผีจงพร้อมเพรียงกันขับไล่เธอเสียจากเว่นแคว้นเถิดบรรดาคำเหล่านั้นด้วยคำว่าจงได้อยู่วัตตุพระเจ้าสัญชัยตรัสว่า ลูกเวสันดรนจงอยู่ให้โอวาดแก่บุตรและภรรยาพวกเจ้าจงให้โอกาสแก่เธอราตรีหนึ่งชาวเมืองสีผีรับพระราชดำรัสว่าพระโอรสนั้นจงยับยั้งอยู่สักราตรีหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยทรงชาวเมืองเหล่านั้นให้กลับไปแล้วเมื่อจะส่งข่าวแก่พระโอรสจึงตรัสเรียกนายนักการมา ทรงไปสำนักพระโอรสนายนักการรับพระราชกระแสรับสั่งแล้วไปสู่พระนิเวศของพระเวสสันดรกราบทูลประพฤติเหตุพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าแน่นายนักการท่านจงลุกขึ้นจงรีบไปทูลพระเวสสันดรว่าโอเดชะชาวศีพีชาวนิคม พวกคนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรพ่อค้าชาวนาพระมนาจารพากันโกรธเคืองมาประชุมกันอยู่แล้วกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าทั้งชาวนิคมและชาวสีผีทั้งสิ้นมาประชุมกันแล้วเมื่อสิ้นราตรีนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ชาวสีผีจกักพร้อมกันขับไล่พระองค์จากแว่นแคว้นนายนักการนั้นเมื่อได้รับพระราชดำรัสสั่งจึงสวมสอดเครื่องประดับมือนุ่งห่มเรียบร้อยประพรมด้วยจุนจันล้างศีษะในน้ำสวมกุนทนแก้วมณีแล้วรีบเข้าไปยังบุรีอันน่ารื่นรมเป็นที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดร ได้เห็นพระเวสสันดรกุมารทรงพระสําราญอยู่ในพระราชวังของพระองค์อันเกลื่อนกลนไปด้วยหมู่อํามาติปานประหนึ่งท้าวาสวะแห่งเทพชาวไตรทศนายนักการนั้นครั้นรีบไปในพระราชนิเวศนั้นแล้วได้กราบทูลพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพข้าประบาดจะกราบทูลความทุกแด่พระองค์ ขออย่าได้ทรงกริ้วข้าพระบาทเลยนายนักการนั้นถวายบังคมแล้วพรางคล่ำคลวนกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าพระบาททรงนำมาซึ่งรถที่น่าใคร่ทุกอย่างข้าพระบาทจะกราบทูลความทุกแด่พระองค์เมื่อข้าประบาทกราบทูลข่าวสารเรื่องทุกข์ร้อนนั้นแล้ว ขอพระยุคลบาทจงยังข้าประบาทให้เบาใจขอเดชะชาวสีพีชาวนิคมคนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรพ่อค้าชาวนาพระมนาจารย์พากันโกรธเคืองมาประชุมกันอยู่แล้วกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าทั้งชาวนิคมและชาวสีผีทั้งสิ้นมาประชุมกันอยู่แล้ว เมื่อสิ้นราตรีนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวสีผีจกักพร้อมกันขับไล่พระองค์จากแว่นแคว้นพระเจ้าค่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระเวสสันดรกุมารกุมารังได้แก่พระราชาที่นับว่าเป็นกุมารเพราะยังมีพระมารดาและพระบิดาคำว่าทรงพระสำราญอยู่ รัมะมานังได้แก่ผู้มีความโสมนัสประทับนั่งตรัสสรรเสริญทานที่พระองค์ให้แล้วคำว่าด้วยหมู่อามาตอมัตเจหิได้แก่แวดล้อมไปด้วยเหล่าอามาตผู้สหชาติประมาณหกหมื่นคนประทับนั่งเหนือพระราชอาธภายใตเสเวตฉัตรที่ยกขึ้นแล้วคำว่าจะกราบทูลเวทยิศสามิ ได้แก่จักทูลบอกนายนักการกราบทูลคําว่าเมื่อข้าพระบาทกราบทูลข่าวสารเรื่องทุกข์ร้อนนั้นแล้วขอพระยุคลบาทจงยังข้าพระบาทให้เบาใจตัดทะอัศาายันตุมังโดยความประสงค์ว่าข้าแต่สมมุติเทพเมื่อข่าวแสดงความทุกขนั้นอันข้าพระบาทกราบทูลแล้ว ขอฝ่าพระบาทโปรดยังข้าพระองค์ผู้ลำบากให้เบาใจคือขอพระองค์โปรดตัดกับข้าพระบาทว่าเจ้าจงกล่าวตามสบายเถิด